ขึ้นไหวเนี่ยคือการเตรียมตัวตลอดเวลา เ, เตรียมตัวพร้อมในการกิจกรรมต่างๆเพราะนั้นการมีสติในความหมายอีกอันหนึ่งก็คือในระบบสแตนบายคือเตรียมพร้อมแต่าภาษาบาลีเ่าใช้ว่ากรมมัยูเตรียมพร้อมสาหรับงานือการมีสมาธิในคาจำกัดความของควาว่าสติ ความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวในขณะที่ทำแล้วก็จำได้ในคำที่พูดกิจที่ทำคำที่พูดที่ผ่านไปและกำลังจะผ่านเข้ามามีความรู้เนื้อรู้ตัวในกิจที่ทำคำที่พูดในขณะที่กำลังทำมากเกินไป <c oughs> ในขณะที่พูดและกำลังพูดและพูดผ่านไป คำจับกัดความกว่าสติคำจับกัดความาว่าสมาธิได้แก่อริสุธทธูแจ่มใสผ่องใสสดชื่นสมัยโตตั้งมัน่น <c oughs> หอนไปเอบตั้งมันงม่นเรากรลังดีอยู่เตรียมพร้อมคำจับความก็ว่าคำว่าสมาธิไม่มีคำไหนว่าคือสงบนิ่ง ไม่รับรู้อะไรไม่มีเลยมีแื่ว่าของใสตั้งมั่นแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะเข้ามาอันนี้ในภาษาบาลีท่านฟิกเอาไว้เนี่ยแต่ไม่รู้เป็นไงเอาไปเอามาคุณไม่นั่งสมาธิคือไม่นั่งนิ่งไม่นั่งหลับตาไม่นั่งขาขวาทับขาซ้ายไม่ถือว่าเป็นสมาธิก็ไม่รู้ปฏิความหมายกันอย่างไรมันออกมาเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็ใน คำสอนผู้ริเจ้าทุกวันนี้เราเหิตในเรื่องคําสอนของพระ ศ, ศัสดาพุทธวจนะแต่เราเมาใช้ไม่เป็นนะแกงเนื้อต้องแกงอย่างนี้เท่านั้นถ้าแกงอย่างอื่นไม่ใช่มันก็เป็นอาหารเมนูเดียวแต่คนจริงอาหารเนื้อเนี่นยสามารถแรงได้เป็นร้อยร้อยเมนูแต่ท่านมาบอกว่าพุทธวจนะไหวเท่านั้นนะอย่างอื่นผิดหมด มันก็เอาเนื้อทั้งก้อนมาต้มมาตุนปิ้งถ้าจะไปแปลงไปอย่างอื่นไม่ใช่นั่นเรียกว่าเป็นการใช้อย่างไม่มีโยนิสม์นสิการไม่ได้ไข่เองนี่ถ้าคุณทำเมนูเป็นก็เป็นได้ะร้อยเมนูก็เป็นไข่ต้มเท่านั้นหรือไข่ทอดเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่นั่นคือลัทธนะิธรรมชา ซึ่งเราต้องเข้าใจในการใช้โดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึงมีอัตจรรยอาจารย์มีการสังคายนามาโดยตลอดไม่รู้กี่ครั้งแลตั้งแต่พุทธกาลมาดังนั้นในเรื่องในโลกเนียมันมีเรื่องเยอะที่จะรูที่จะสนใจที่จะเรียนรู้ แต่ถ้าเราไม่มีหลักการของเราเนี่ยเราจะสับสนเพราะข้อมูลเพราะความรู้เรื่องแต่และเรื่องทุกวันมีเรื่องเยอะมากๆที่เข้ามาทุกทางมาทางสื่อต่างๆอันนั้นก็น่าจะทำอันนี้ก็น่าจะใช่อนนันก็น่าจะเอาิตใจเราวุ่นวายไปหมดเราไม่ได้เอาอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักนะอย่างยมบางคนพอมาศึกษาวิธีนี้ พอไปฟังวิธีนั้นเอาเข้าทา่าบ่ไปลองดูไปสักพักหนึ่งก็ไม่เข้าทา่าก็ไปลองดูอย่างอื่นไปเรื่อยๆเอามาถึงเปรียบเสมือนว่าคนที่ขุดบ่อน้ําสมมติว่าสายน้ํามันลึกสิบเมตรแต่เราขุดไปสามเมตรโอ้ไม่มีน้ําเลิกขุดไปขุดบ่อใหม่ทีนี้ได้สี่เมตรไม่มีน้ำเลิกขุดเอาไปขุดบ่อใหม่ บ่อเราไปได้ห้าเมตรจะมาถึงเก้าเมตรก็ย้ายไปเรื่อยๆพอดีกว่าจะได้น้ําก็ตายพอดีมันมันเสียเวลาแต่ถ้าขุดบอ่อเดียวขุดว่าสํารวจก่อนที่จะขุดว่าตรงนี้มันมีน้ําจริงไหมสํารวจให้ชัดเจนก่อนเหมือนเขาจะขุดน้ํามันบอ่อน้ำมันไม่ใช่ขุดสเปซสะปาค ม, มีน้ําจริงไหมแล้วค่อยขุดลงไปวิธีบรร น, นอกโบราณที่มาเคยขุดบอ่อน้ําที่บ้านก็คือ น่าแรงมาเราถากดินตรงนั้น่ะเราสงสัยว่าเช่นว่าสงสัยตรงนี้จะมีน้ําญ้ามันขึ้นเขียวกว่าเพื่อนตรงนั้นอ่ะที่อื่นมันไม่เขียวเหมือนตรงนี้เราก็าไปถากถากตรงนั้นแล้วอกระมังอาชามไปครอบไว้เอาดินเข้าปกครอบครอบมันคืนหนึ่งตอนเช้าเราไปพลิกขึ้นมาถ้ามันมีไอ้น้ำขึ้นจับไอ้ถ้วยชามมีช่วยกระมังนั้น หมายความว่าตรงนั้นมีใส่น้ําผ่านแน่นอนขุดถูกไปได้ไม่พลาดแต่บางบางแห่งยากเขียวก็จริงพอไปทำไปครอบมันไม่มีไอ้น้ําขึ้นมาจาับก้นกระมังก็ถือว่าตรงนั้นใส่น้ําม่ผ่านก็ขุดทุกครั้งก็เจอทุกครั้งอันนี้สูตรแบบบ น, นนอกเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยกว่านั้นอันนี้ฉันใดเราจะสํารวจว่าทางนี้เป็นทางจริงหรือไม่จริงเนี่ยก่อนที่จะเราลงมือขุด ลงไปเชื่อมั่นในวิธีการเนี่ยมันนําไปสู่ที่สุดของพุกได้จริงหรือไม่จริงเราก็ต้องมีการสํารวจเสียก่อนไม่ใช่เออตรงไหนเข้าถ้าขุดลงไปเลยเดี๋ยวก็อย่างที่ว่ามันไม่เจอเขา้า10เมตรก็แล้วยี่สเมตรก็แล้ ว, ส เ, เ, ลวเสียเวลาขุดแต่สํารวจเรียบร้อยแล้วหลายระายอย่างมีวิธีสํารวจด้วยแยะหนึ่งสิ่งที่ท่านเสืย อ, ออกมาเป็นหนังสือสองทีที่เสืยออกมาเป็นคําพูด ก็ยังไม่แน่ใจแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ใช้หลักสองหลักในการพิสูจน์ว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยคนไหนจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แม้แต่เพื่อนของเราแม้แต่แฟนของเราสามีภรรยาของเราถ้าเราจะเป็นพิสูจน์ว่าเป็นเนือ้อคู่ของเราจริงไหมเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ใค่สองหลักหนึ่งสีละสามัญญาตาเข้าไปคบค้าสมาคมโบราณเขาต้องให้คบกันไปสิบสิบปีเขาจะให้แต่งใช่ไหม ให้ได้รู้ทั้งหมดเขาจะอยู่วนต่อไปอันที่สองมีเวลาได้สนทนาแลกเปลี่ยนสติปัญญาระดับไหนจะอยู่กันได้ไหมกี่ปีสมาธิระดับไหนหนูเมื่อคืนนอนหลับไหมเมือคืนนอนหลับดีไหมอ่าตึงคอนะลอะงไว้ผ่อนคลายก่อนก็ได้น ะ, ะใจลึกๆนั่น ลืมตามวงกว้างผ่อนคลายนั่งให้สบายมือนวดหน่อยก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นต้องแก้ไขเท่าที่แก้ไขได้ทีนี้กำลังมาถึงตรงนี้ว่าเมื่อคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของเราเนี่ยมีระดับสติไม่เท่ากันระดับปัญญาไม่เท่ากันระดับบุศสละจิตไม่เท่ากันตรวจสอบละคุณก็รู้ได้คืนอยู่กันต่อไปไม่คุ้มแน่ต้องทุก พุทธเจ้าเนี่ยใช้ห ล, หลักนี้เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาทดสอบคุณงามความดีสติปัญญาของกันและกันว่าอยู่กันได้แค่ไหนท่านใช้สองหลักนี้เท่านั้นนะท่านใช้หลักสีและสามัญญาตาควบค่าสมาคมเห็นหัวนอนปลายเท้าปู่ย่าตายายพ่อแม่แตระกูลดุลชาติเปยังไงควบกันให้นานอันที่สองมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น ทดสอบความลึกตึกนามบางของสีปัญญาบุญกุศลท่องกันแล้กันถ้ามั่นใจแล้วอโอเคอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีปัญหาแต่ว่าเลคุณออกบ้านไปเนี่ยคุณก็ไปคบค้าสมาคมผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ใช่คนคนนี้ได้คุณทําการทํางานทําธุรกิจคบค้าสมาคมแต่ถ้ามีอะไรเกินเลยกับความเป็นแฟนหรือเป็นสามีปัญญา คุณก็จะไม่ละเมิดกฎกติกานะแต่คุณไปละเมิดกติกานะออได้แฟนคนนี้เลือกดีที่สุดแล้วคุณไปเจอคนใหม่ดีคนนี้ไปคุณก็เป็นคนหลายใจก็จะไม่ประสบผลสําเร็จในการมีครอบครัวอันนี้คือว่าหลักในหลักรูปธรรมกันนะหลักทางสังคมใช่ไหมนี่คือแล้วก็จะมีปัญหาตลอดชีวิตเลยในแง่ของการเลือกกระยมิตรครูบาอาจารย์ ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ของเราเหมือนกันท่านก็ให้ใช้สองหลักนี้หนึ่งศีลและสมัญญาตาเดีย๋ยวว่าเด็ครูอาจารย์ไม่แต่เพื่อนของเราเข้าไปคบหาสมาคมเข้าไปอยู่ใกล้ท่านเข้าไปอยูอ่รับใช้ท่านดูไปทําบุญทําทานไปอะไรท่านดูไปดูการเป็นอยู่ของท่านเป็นไงเป็นอย่างภาพที่เราแสดงให้ท่านเห็นเราเห็นเฉพาะหน้านี้ไหมเราไปดู พฤติกรรมอันนี้เรียกสีละสามัญญาตาไม่ใช่หน้าฉากนี้หลังฉากอีแบบนี้ไม่ใช่ละนะอันที่สองมีโอกาสได้สนทนาซักถามปัญหาที่เราสงสัยทุกเรื่องว่าสิ่งที่เราตอบถามไปเนี่ยมันเม็กเซนไหมมันตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการรู้ ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรแม้แต่เรื่องง่ายๆนี่แหละที่เราควรจะถามควรจะสนทนาตอบปัญหาได้ชัดเจนทุกแง่ผู้มิเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ใช่สักถามครเดียวเป็นกี่ครั้งก็แล้วแต่จนคุณพอใจว่าเออแต่สินใจว่าเออสติปัญญาภูมิธรรมสามารถช่วยเราได้เนี่ยให้ท่านท่านให้ใช้หลักเมื่อท่านเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณก็มั่นใจว่าเออองนี้แหละ เป็นการยามีของนั้นคุณอาจจะไปพบครูบาอาจารย์ฟังอาจารย์เปเลยร้อยก็ได้เหมือนกับคุณต้องพบผู้หญิงคนนี้พบผู้ชายได้พิสูจน์ตรมาหลายปีแล้วมีพฤติกรรมที่เราไว้วางใจได้คุณก็เอาไปทําธุระการงานพบผู้หญิงผู้ชายเป็นเลยร้อยแล้วพันคนคุณก็ไม่วกแวกหวันไว้ไปหาคนอื่นนะเพราะอันนี้คือเป็นหลักที่เราเลือกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณมั่นใจคนณนี่เป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยคุณจะไม่ฟังใครไม่ศึกษาใครไม่อ พูดกับครูบาอาจารย์อื่นมันไม่ใช่คุณก็สามารถที่จะไปฟังไปศึกษาครูบาอาจารย์ไปเรือยๆอาจารย์ก็ได้แต่ครูบาอาจารย์แล้วแล้วคืออันนี้วิธีการที่เลือกแล้วคืออันนี้แต่อันนั้นคือเอาเข้ามาเสริมนะคุณจะแกงปลาเนี่ยคุณจะเอาแต่ปลาอย่างเดียวตลอดไปไม่ได้คุณสามารถจะเปลี่ยนปลาตัวนี้ให้เป็นเมนูต่างๆได้แต่มันก็ยังเป็นปลาอยู่นั่นเองอันนี้คือคือความเป็นจริงนะ อันนี้เหมือนคุณเลือกวิธีการนันนีคุณจะเอาวิธีการนาจารย์ไหนเขามาประยุกต์ก็ตาแต่มันก็ยังเป็นวิธีนี้อยู่นั่นเองเพราะธรรมะที่แท้จริงมันไม่ขัดกันนะเข้ากันได้หมดแต่เราจะเลือกเป็นไม่เป็นนะอันนี้เพื่อแก้ข้อสงสัยว่ า, าทำไมต้องเปลี่ยนทำไมต้องไม่เปลี่ยนเราก็นึกถึงความเป็นจริงเวลาเราเลือกคู่นะความเป็นจริงออกมาเป็นอย่างนั้นเราเลือกที่จะทำอาหาร ความเป็นจริงออกมายอย่างนั้นเราเลือกที่ครูบาอาจารย์ที่จะครบเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็เรงนี้เราไม่ได้ว่าตัวเองไม่เมข้างตัวเองแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าว่าอย่างนั้นว่าต้องใช้หลักสองประการนี้คือหนึ่งใช้หลักศีละสามัญญาตาเราจะรู้จักมักครุ้นหรือใครจริงไม่จริงเป็นมิตรแท้มิตร เ, เรียกว่ามิตรที่ตายแทนกันได้ก็ต้องใช้หลักสองประการนี้สามีภรรยาที่จะอยู่กันได้รอดตลอดชีวิตตายแทนกันได้ก็ใช้หลักสองประการนี้ ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่จะอยู่กันได้ตลอดชีวิตก็ใช้หลักสองประการนี้นี่บุทธเจ้าท่านให้ไว้หมดอ่ะเราจะใช้เป็นไม่เป็นนะไม่ใช่ว่าเออเรามาสัปทานีิการหลวงพ่อนิศแล้จะฟังอาจารย์ปาโมดมาดับจะฟังพุทธวจนะมาดับไปเอาพูดโทไม่ได้ไปเนอะไม่ใช่คุณไปทดสอบได้ทุกอย่างแต่เลือกไอ้ส่วนที่ดีมันเข้ามานะอามาไปยุโรปอเมริกาเนี่ยมาไม่ใช่เอาพระไปทั้งหมดอาจารย์ทีาารยุทธอาจารย์อือะไร กุมทองสุพีใช่ไหมก็เชิญไปทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้มาศึกษาปฏิบัติแบบเรานะีแต่ว่าเขามีสมาธิที่ขอให้หลักสําคัญว่าคุณจะเริ่มวิธีใดมาก็ตามแต่เขาให้เป็นสมาธิทิคือคนเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นสมาธิธิอันไหนเป็นมิจฉาทิฐิพุทธเจ้าให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้าตรงซ้ายเกินไปก็ไม่ใช่แต่ตรงขวาเกินไปไม่ใช่แต่ไปตรงกลางเ่ะ นั่นแหละเป็นสมมาทิฏฐิคือพูดอะไรเป็นกลางเอาไว้อย่าไปว่าอาจารย์นี่ดีอาจารย์นี่ไม่ดีอาจารย์นี่ถูกอาจารย์นี่ผิดอาจารย์นี่ใช่อาจารย์นี่ไม่ใช่พูดอย่างนี้ถูกพูดอย่างนี้ผิดพูดนี้ไม่ใช่ทุกคนมีดีและมีไม่ดีในตัวเองแต่อยู่ที่เรารู้จักเลือกเอาส่วนดีของเขาไหมแต่บางคนมีดีมากมีที่เสียบ้างแต่น้อยเราก็เออเามาใช้มากหน่อยบางคน ไอ้ดีมีน้อยแต่เสียมากบางทีาอาจจะไม่ต้องเลือกเสียเวลาคนที่เขาดีมีดีเยอะๆก็ามากกว่าอย่างเนี้ยคือเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าเป็นสมาธิทิหรือเป็นวิชฉาทิฏิถ้าเป็นสมา ธ, ธิไม่ว่าคุณจะมาในวิธีการไหนเนี่ยเราไปกันได้ทั้งนั้นคือความเห็นมันไปตรงกลางเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีหนอ่อพุศโสลสัมภารหังรู้ใจแต่ว่าเวลาพูดดูที่พูดอ่ะ อาจารย์นั้นใช่อาจารย์นี้ไม่ใช่อาจารย์นั้นถูกอาจารย์นี่ผิดพวกนั้นเพี้ยนหมดแต่ฉันถูกคนเดียวอันนี้ไม่ใช่สมาธิฐิ่ละเพราะมันตรงซ้ายหรือขวาใช่ไหมอันนี้คือเกณฑ์ตัดสินง่ายๆในการเลือกอการครบการหาครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะฉะนั้นพุทธจ้าท่านบอกมาให้เชื่อไงต้องพิสูจน์ซะก่อนแต่พิสูจน์ในการที่จะอยู่ก็ใช้คบกับใครเนี่ยท่านให้พิสูจน์ด้วยหลักสองประการนี้คือศีระสามัญญาตา ทิฏฐิสามัญญตาในที่นี้ใครเป็นนวดเป็นวางเยก่อมือขึ้นมีใครไหมอ้ไม่เคยเรียนหมอโนดกับมอเลยนะถ้าใครเป็นจะได้ไปช่วยน้องเขาหน่อยนั้นเองเราจะเห็นว่าเรื่องบหลนี้เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะวิธีการของบทเทียนเอามาชอบตรงที่ว่าท่านพูดอะไรเป็นกลาง ท่านไม่เคยบอกค น, อ, นอาจารย์นั้นใช่อาจารย์นี้ไม่ใช่ท่านยืนยันชัดเจนในหลักการของตัวท่านเองท่า น, นั่นเองนะเออในนี้ใช้ไดนะ้ดังนั้นเองในการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าสงสัยมันใช้ได้ไม่ไดนะ้เป็นธรรมดาที่สุดเลยนะจะมายอมรับโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรชัดเจนไม่ได้ มันจะทําสงสัยเป็นธรรมดาแต่ว่าจะใช้เวลาพิสูจน์ไปสักพักหนึ่งไม่ใช่ว่าบ่อเนี่มันลึกสิบเมตรคุณขุดไปแค่เม็ดเดียวก็บอกว่ามันไม่มีน้ําเราได้ไม่ได้อาจารย์นี้สอนไปสิบเดือนแล้วพิสูจน์สัสกหเดือนเจ็ดเดือนขึ้นไปเออมันยังใกล้น้ําพอพิสูจน์ได้เดือนเดีย ว, ยวโอ้คงไม่ใช่ละนี่ก็ไม่ใช่เพราะยังขุดยังไม่ถึง<ม>ก็อดทนหน่อยขยันขุดต่อไปนะ เราจะมายกมือสาวันเจ็ดวันให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งก็มีเป็นบางคนเท่านั้นนะแต่อีกหลายคนไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังสงสัยอยู่ก็เพียรทําต่อไปเรื่อยๆว่าเออมันจะต้องมีอะไรดีละ่ะอืก็ต้องทําใจดูนะแต่ว่าเอ๊ะทาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้นะวิธีนี้นะเราก็ต้องไปทดลองอีกวิธีหนึ่งดูนะอีกวิธีหนึ่งจะเป็นพุโทโธสมารถก็ต้องทําวิธีนั้ น, นให้ถึงที่สุดเหมือนกัน จนถึงที่สุดแล้วโอมันจะต้องรู้สึกสิ่งไหนเหมือนอาหารง่ายๆนะอาหารไหนที่รู้สึกว่ามันมันถูกกระแทกกับขันแล้วเนี่ยเวลาทานรู้สึกมันมันมีรสมีชาติมันอร่อยออันนี้เป็นเป็นข้อมูลเซนมากๆใช่ไหมอาหารไหนที่ไม่ไม่ถูกกระแาดกระขันแล้วเนี่ยเหมือนคนที่ทําน้ำปลาไอติมาเอามาจิบแล้วโอ้โห หวานจีบเย็นเจี๊ยบเนี่ยมโอ้ท่าขันเราเล่าไม่ได้เราเป็นคนร้อนเอาเย็นเข้าไปมากไปดับพลังเราเอาต้องเปลี่ยนหรือเอาร้อนมาให้หน่อยก็แล้วกันอันเนี้ยท่าขันเรามันจะบอกฉันได้ก็ดีแต่ละคนมีของมันเซนอยู่ว่าอันไหนฟังแล้วศึกษาแล้วรู้สึกมันเข้าใจได้มันชอบเออมันสนุกเออทำไปแล้วมันมีอ่าอะไรลนะมีรสมีชาติเอยแสดงว่าแสดงว่ามันเข้ากับท่ากับขันแล้วละ แต่มาทําเคลื่อนไหวเมื่อไหร่จิตมันไม่เอาเลยนะทําเท่า ไ, ไหร่จิตมันก็ไม่เอาเออสแสดงว่ามันคงจะไม่ใช่แไปนั่งทําพุโทโธรู้สึกมันจูบมันเจ้ามันดูดมันดึงมันประทับใจดีก็ใช้พุโทโธนะใช้พุโทโธแต่ว่าใช้ไปสักพักเนะี่ยมันเกิดเบื่อขึ้นมาเบื่อก็ต้องสู้หาวิธีแก้ไขไปงั้นจนกระทั่งว่าเห็นเห็นผล ดันั้นแต่ละวิธีการที่ครูบาอาจารย์นั้นค้นพบเนี่ยมันก็มีมีดีในตัวนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะจับมุมจับนี่ยังไม่ได้เขาพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะตอนนั้นในวิธีการพุทเทียนที่ที่บางคนที่มาปฏิบัติแล้วได้ผลนะ่ะมักจะผ่านวิธีอื่นมาเยอะแล้วแต่พอมาทำอันนี้ปับ๊บมันเกิดปิ้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็สืบสาวไปเรื่อยๆทําแล้วสนุกทําแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทําแล้วรู้สึกว่า มันขยายผลได้ง่ายขึ้นมันไม่กําหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันเข้ากับสติปัญญาที่เราสามารถปรับและที่สําคัญที่สุดมันไม่เป็นภาระรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตมากกว่าือการปฏิบัตินี่มันเป็นชีวิตแต่ถ้ามันเป็นภาระเราทําให้ทุกข์ยากลำบากทําให้เราไม่ก้าวหน้าทําให้เรามีปัญหาครอบครัวมีปัญหากับเพื่อนฝูงปฏิบัติแล้วทําให้ไปขัดตรงนั้นคล้องตรงนี้ โอมันก็ะตนพิจารณาละแต่ได้นาปฏิบัตินี้มารู้สึกเปลี่ยนไปเข้ากับใครก็ง่ายขึ้นอยู่กับตัวเองก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวก็กลุมกลืนเออมันน่าจะดีมันก็จะมีซายมีอะไรบอกเราอะว่าเราปฏิบัติวิธีนี้แล้วเป็นภาระหรือว่าเป็นชีวิตเพราะนั้นมีหลายคนถามัะมาทำงานทั้งปีทั้งชาติไม่รู้สึกเหนือ่อม่เห็นพักเลยนะทา เออันเป็ น, ปนวิถีชีวิตอหะการเคลื่อนไหวเป็นวิถีชีวิตทําแล้วก็มีความสุขทำแล้วก็มีกําลังทําทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เหนื่อยเพราะมันเป็นชีวิตของเรา อ, อย่างนี้ท่านก็ทําให้เราเออได้พบทางแล้วอย่างอื่นจดีขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ทางของเราหรือมือนเราไปซื้อยาในในร้านเราไปโลบอันเนี้ถ้าหาไปซื้ อ, อยาไหนมันทําให้โรคอันนี้รู้สึกบรรเทาเบาบางหรือหายไป แสดงว่ายาประเภทเนี้ถูกกับโรคเราแต่เราก็มโนเอาความว่ายาที่เหลืออยู่มันเป็นยาไม่ดีไม่ใช่มันดีแต่ว่ามันไม่กระถูกกับโรคเราวิธีการทั้งหมดเป็นร้อยเป็นพันวิธีเนี่ยเขาไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกกับโรคเราเท่านั้นเองเราก็ทดสอบดูนะอันไหนมันถูกกับโรคกระขันกับกิเลสของเราก็ทดสอบไปจนกระทั่งมั่นใจว่าเออยาชนิดเนี้มันจะรักษาโรคเราได้ก็สมทานวิธีนั้นวิธีอื่น เราก็ส่วนไหนที่มันมีตัวยาคล้ายกับตัวนี้ก็ประยุกเข้ามาได้นะอันนี้คือเบื้องต้นสำหรับในการเลือกในสิ่งที่เหมาะหรือไม่เหมาะดีหรือไม่ดีกับตัวเราเองอนะขอน้ำนิดนึงังนั้นเองก็เราจะต้องเข้าใจหลักการอนี้นให้ชัดเจนก่อนที่เราจะเดินทางไป ข้างหน้านะเอาละทีนี้มาถึงวิธีการอันนี้เน้นสลหรับคนใหม่ก่อนนะสำหรับคนคนที่เคยผ่านมาฟังหลงพ่อหลายครั้งแล้วเข้าใจแต่ว่าถือว่าคนใหม่ก็ได้ฟังในงสิ่งที่ไม่เคยฟังคนเก่าสิ่งที่เคยฟังแล้วก็แจ้งแจง้แจงชัดเจนมากขึ้น น, น, นี่เป็นด้านนาการฟัง ทีนี้สำหรับผู้ใหม่สําหรับวิธีการนี้ยังไม่พอนะใหม่สําหรับวิธีการที่หลวงพ่อนําเสนอด้วยบางคนอ้ผมปฏิบัติอันนี้มานานแล้วแต่กับวิธีของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เอามาวิธีการของอาตมาก็อาจจะในปลาตัวเดียวกันอาจจะแกงคุรเมนูเท่านั้นเองอาจารย์นั้นอาจจะต้มอาจารย์นี้อาจจะปิ้งอาจารย์นี้อาจจะมาลาบอาจารย์นั้นอาจจะมาตุ้งยำเราจะจะไป แกงเหลืองแกงขาวอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ปลาตัวเดียวกันนั่นแหละวิธีการเคลื่อนไหวอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์แต่ละาอาจารย์อาจจะใช้ประยุกต์ไปตามเจดินีใส่เขาตัวเองก็ไม่ผิดนะเหมือนเรากินแกงปลาแต่ต้มส้มทุกวันมันเบื่อเนา ะ, อะเอาไปแกงเหลืองบ้างแกงใส่เนื้อสิีิมันก็ไม่น่าเบื่อนะ ให้ทำความเข้าใจอย่างนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าเราจะเลือกทานที่รู้สึกวออ่ามันอร่อยอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นวิธีการเคลื่อนไหวแบบพวกเทียนเริ่มต้นแบบไหนเมื่อวานเนี่ยได้นำเสนอไปที่หอจุดหมายเหตุครั้งหนึ่งแล้วว่าเราจะต้องมาเริ่มต้นที่ความรู้สึกเป็นป น, น, นเนี่ยที่เราสัมผัสมันได้ทุกเมื่อเช้าวันนะอันนั้นคืออะไร ตั้งต้นตรงนั้นก่อนน ะ, นะผู้ใหม่ตั้งต้นตรงนั้นก่อนว่ขนาขณะนี้ความรู้สึกพื้นฐานที่เราสัมผัสได้ขณะนี้แล้เดี๋ยวนี้คืออะไรบ้างตั้งต้นนั้นจุดนั้นถ้าอยงนั้นเราเราเราเริ่มต้นทางไม่ถูกนะมันไปพละทางเราจะไปเชียงใหม่ ห, หันหัวรถไปทางสงขลางเงี้ยไปเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงเชียงใหม่มันไปถึงสงขลานะ ดังนั้นเราก็ต้องตั้งต้นให้ถูกว่าตั้งต้นอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยทุกคนสำรวจตัวเองว่าความรู้สึกเบื้องต้นที่สุดคืออะไรขณะ น, นี้อ่าเรานั่งมานานหนักไหมหนักที่ไห น, นเทียบโพกอากาศไปไเป็นไงเปิดแอร์รู้สึกเย็นมากไป็นไหมหรือม่นเย็นไม่พออ่า อ, อันนี้เฉพาะที่ที่สากลที่คนรู้สึกได้นะ แต่ว่าเวทนาเฉพาะคนนี้บางคนอาจจ ะ, ะมีโรคปวดหลังอยู่ก็นอกจากหนักเดโป่เราพ อ, อรู้สึกปวดหลังบางคนอาจจะปวดหนักท้องไม่ค่อยดีเป็นโรคกระเพาะอันนี้กขเรียกวิบากก่รแยกเวทนาละที่เนี่ยส่วนความรู้สึกที่เป็นสาคนทุกคนนั่งมาในเวลาเท่านี้รู้สึกหนักที่เดกโป่เหมือนกัน จะปวดหลังนิดหน่อยปวดไหล่นิดหน่อยแต่บางคนจะตึงหัวตึงไหลตึงแข็งตึงขาเพราะอันนั้นเป็นวิบากที่สั่งสมมานานมันขังนั้นก็เรียกเป็นวิบากเฉพาะตัวก็ไปรับไปแก้เอาเองไปอุทนเอาน ะ, อ, ะอันนี้คือเวทนาพื้นฐานได้แก่ทุกขเวทนาทั้งส่วนตัวและส่วนรวมส่วนรวมคือหมายความว่ารู้สึกเหมือนเหมือนกันเช่นว่านั่งเงี้ยก็รู้สึกหนะัก แต่พวกเหมือนกันหนักหลังหนักหลายเหมือนกันแต่ว่าไม่มากแต่บางคลมากกว่าหรือในห้องระดับแอร์ขนาดนี้บางคนรู้สึกพอดีบางคนรู้สึกมากไปบางคนรู้สึกน้อยไป อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าธาตุขันไม่เหมือนกันน ะ, ะรับสัมผัสไม่เท่ากันคุณหาก็อีมาตั้งโดยนี้ดังนั้นเองเราก็ ต้องศึกษาศึกษาสิ่งเหล่านี้ในพื้นฐานเบื้องต้นให้แต่ละคนมีคอมมอนเซนที่ปกติหมายความมาโนสํานึกที่ปกติก่อนเริ่มต้นที่สุดนะถ้าบางคนรับรู้อะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยรู้สึกชั้นเบาทั้งตัวเลยมันไม่รู้สึกหนักเลยนะที่ท่านว่าไม่เห็นมีอะไรนะรู้สึกเบาสบายทั้งตัวเลยอันนี้รู้สึกว่าเป็นไม่ปกตินะ บางคนคนนั้นอาจจะเข้าสมาธิอาจจะเข้าฌานไปแล้วก็ได้บางคนอารมณ์ฌานเคยนั่งมานานพอนั่งปัป๊บนี่เวทนาทั้งตัวนี่รับรู้ไม่ได้เลยมีบ้างไหมบางคนเคยนั่งสมาธิ ม, มานานพอนั่งปัป๊บเราได้อารมณ์เบาทั้งตัวเลยนะเวทนาทั้งกายไม่รับรู้เลยอันนี้ก็มันมันไม่เหมือนเพื่อนก็ถือว่าผิดปกติพุทธดีในทางดีนะไม่ใช่ทางเสียนะอาจจะเป็นพิเศษก็ได้ ามาเป็นคนทัดร้อนขอแห้งไวดังนั้นเองเมื่อเราสํารวจความรู้สึกที่เป็นสํานึกปกติของแต่ละคนเรียกว่าค อ, อมมอนเซนต์แล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นตรงนั้นเลยเริ่มต้นว่าตัวรู้สึกนี้เราเรียกว่าทุกข์หรือสุขที่สัมผัสได้ที่ทุกคนสัมผัสได้ที่ปกตินี้สบายหรือไม่สบาย ทนได้หรือไม่ได้อ่เรื่องสำรวจละ่ะสบายหรือไม่สบายถ้าสบาย <c oughs> ก็ทนได้ง่ายถ้าไม่สบายระดับหนึ่งก็พอทนได้แต่ไม่สบายมากๆระดับทนไม่ได้เราอยู่ในระดับไหนสำรวจไปแต่รู้สึกว่า ท, วทั่วไปคล้ายกันคือรู้สึกสบายแลวไม่สบายเท่าๆกันแต่พอทนได้ใช่ไหม แต่มีบางคนทนไม่ได้ต้องง่วงต้องอ๋ต้องซึมต้องหนักต้องหนักต้องเหนื่อยมันก็จะเป็นมีบางคนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอ๋ออันนี้ปกติของเราไป็นอย่างนี้แต่ว่ามันหนักเป็เราก็ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นพอแก้ไขได้ก็แก้ไขเมื่อเรารู้ความรู้สึกพื้นฐานของเราอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มเข้าไปบำบัดทีนี้ลักษณะของการบําบัดที่ได้กล่าวว้แล้วมีสองอย่างหนึ่งบำบัดแบบ ไม่ต้องบำบัดคือทนไว้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบำบัดแบบหนึ่งคือใช้ใจเข้าไ ป, ปบําบัดสองบำบัดแบบไม่รู้ตัวก็ก็เปลี่ยนไปเคลื่อนไหวไปเพระนั้ น, นเองก็หายสามบางคนตั้งใจบําบัดอย่างรู้เนื้อรู้ตั ว, <c oughs> วก็ขยับปรับเปลี่ยนก็เบาขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราก็เลือกจะใช้ว่าบําบัดแบบไห น, นบําบัดแบบใช้ใจบําบัดคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ทนทนอ ย, อย่างนั้นพอทนได้ก็ทนไปก็กไม่สนใจมันอันนี้พวกที่ใช้หลักสมถะก็สะกดข่มเอาไว้พอทนได้ก็ทนไปแต่คนที่ใช้วิปัสสนาก็เมืนอนอะไรความว่าจะต้องบําบัดทุกวินาทีก็ไม่ใช่นะทนได้เท่าไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ลําบากแก่ความรู้สึกทางใจ ทนได้แต่ว่าใจรู้สึกปกตินิ่งอยู่ไม่กระวนกระวายไม่ถูกบีบคัน้นไม่ถูกกดเก็บกดหรือไม่ถูกกดดันรู้สึกผ่อนคลายใจรู้สึกผ่อนคลายสบายอ่ะอันนี้ก็เอาดูดูอาการของจิตเป็นหลักอันนี้ก็คนที่บําบัดด้วยลักษณะของวิปัสนาคือวิปัสนาได้ดูอาการของจิตเป็นหลักจะบําบัดหรือไม่บําบัดว่าเวทนาตัวนั้นมันเข้าไปเบียดเบียนจิตไหม ถ้าเป็นสมรรถดูว่าร่างกายทนได้แค่ไหนไม่สนใจที่ว่าจะจิตมันรับได้ไม่ได้เท่าไหร่ว่าร่างกายทนได้แค่ไหนจิตก็สามารถจะไปกดเอาไว้ถ้ามันทนไม่ได้แต่วิปัสนาจะเข้าไปคลี่คลายคลี่คลายแต่นั้นช่วยถ้าหากมันเกินลิมิตตรงนั้นเนี่ยจิตมันก็จะถูกถูกกดนิดนิดถูกบังคับนิดนิดรู้สึกมันไม่สบายอันนี้ก็เริ่มปรับละ ในไอ้ความแยบคายตรงเนี้ยส่วนใหญ่เรามีไม่พอเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนนะไม่ได้ฝึกฝนเราใช้สัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่มีกฎกติกาอะไรว่าทําแบบนี้แล้วจะผิดหรือไม่ผิดไม่มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราต้องการจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเท่านั้นเองนะแต่สําหรับคนที่ใส่ใจศึกษาก็จะเป็นการฝึกฝน ความละเอียดความแยกขายในระดับกายแลเราดูกายในกายที่เขาเรียกว่าที่เราสวดว่ากายากาเกะกายเยกายานุปัสสิวิหันติอาตาปีสัมปชานุสติมาวินัยโลเกวินัยโลเกอภิชาธรรมนาสั่งใช่ไหมว่าพิจารณาเห็นกายในกายดูกายในกายขณะนี้มันมีอะไรบ้างแล้วพิจารณาด้วยอะไรอาตาปี ที่เพูดถึงเมื่อวานเข้าไปละในส่วนที่จะทําให้ไม่สบายอ่าเข้าไปละบาปมีความเพียรเครื่องเผาบาปโดยเรสวดใช่ไหมด้วยอะไรด้วยความรู้รเนื้อรู้ตัวสัมปรชานุสต <Yes. S 2> ิมาแปลว่ารู้เนื้อรู้ตัวด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวว่าในความไม่สบายนั้นมันเบียดเบียนแค่กายหรือเบียดเบียนแค่จิตบางคนไม่ให้เบียดเบียนทั้งกายและไม่ให้เบียดเบียนทั้งจิตบางคนเบียดเบียนทางกายทางเดียวแต่ไม่ต้องการให้เบียดเบียนจิต อ่าเราจะเอาระดับไหนก็อยู่ที่เราละทีนี้ถ้าไปยเวียนทางกายพอทนได้เรายอมรับบาปทางกายบาปทางกายเป็นคุณก็มีเป็นโทษก็มีเป็นคุณตรงที่ว่าเราใช้มันพอดีถ้าเราไม่ใช้บาปทางกายเลยเนี่ยเราจะทำอาหากินอะไรไม่ได้เพราะไปทํางานอะไรนิดหนึ่งมก็หนักละไปยกอิฐสัก้อนมันก็หนักแล้วไปยกข้าวสักจานมันก็หนักแล้วมันก็เรียกว่าบาปเป็นทุนบุญเป็นกําไร เราใช้ความไม่สบายกายเนี่ยเป็นทุนการทํางานทําการต้องเหงื่อไหลใครย้อยทนอยู่ในออฟฟิศนานๆทนอยู่เกลิ่อยู่นหน้าคอมนานๆถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินถ้าไม่ทําก็ไม่มีเงินใช้แต่เขาต้องยอมรับว่ามันกลิ่นมันเครียดนั้นเขาเรียกว่าอบาปเป็นทุนแต่ถ้าเราไม่ได้วิปัสสนาเนี่ยบาปตัวนั้นมันก็จะไหลเข้าสู่จิต ด, ด้วยเราทํางานด้วยความหงุดหงิดเกลิ่เครียด อ, อึดอัดฟุ้งซ่าน บาปตอนนั้นบาปทางกายเข้าสู่จิตแล้วยากแก่การบำบัดยากแก่การละแต่รู้สึกว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าต้องทำงานมันต้องใช้กาลังละต้องใช้กำลั ง, ล ง, ใ, ชลงใช้ความสายตาต้องเพ่งแขนต้องเกร็งอยู่ในโรงงานทั้งวันอะไรเงี้ยคนนั้นได้วิปัสสนามาก็มีการบำบัดผ่อนคลายแก้ไขไปเรื่อยทำงานไปอยู่นาะคอมนานเกินไปก็ดูกมาอเซร์ไซา์สักพักเนีเขาไปใหม่ อย่างนี้นมก็เป็นบางครั้งต้องตรวจต้นฉบับอะไรยาวๆเป็นวันๆหนึงนั่งเป็นวันๆสภาพมันก็ออกมาเดินเข้าไปทําใหม่ค่อยบำบัดไปเราช่วงเนี้เราใช้บาตรทางกายคือทรมานกายนิดหน่อยแต่ค่อยบำบัดด้วยการลุกไปเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะแต่มันทำท่าจะเข้าไปสู่จิตจิตจะเกิดเบื่อหน่ายลำคาญอึดอัดขัดเคลืองปั๊บเอยแสดงว่าเราไม่สามารถคอรหืควบคุม บาปทางกายให้อยู่แค่นั้นได้แล้วเราต้องบำบัดหลักทีน่นี้ก็ไปเดินจกงกรมสักพักหนึ่งไปไล่บาปทางใจออกไปอ่ะมาตั้งต้นกันใหม่นี่คือชีวิตประจำวันนะชีวิตประจำวันเรามาเป็นคนชอบทํางานเนี่ยก็ได้ศึกษาบาปทางกายทางใจว่าวิธีแก่บาปทางกายง่ายกว่าแต่ถ้าไม่อาศัยบาปทางกายเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนขี้เกียจ เราก็าจะไม่มีอยู่ไม่มีกินเราก็าจะถูกตำหนิเราก็าจะไม่เป็นที่พึ่งของใครได้ซึ่งนั้นนั่นว่าโบราณว่าบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรบุญเป็นกำไรหมายของว่าถ้ารู้จักเอาความไม่สบายนั้นออกไปเสียบุญมันก็เกิดขึ้นก็รู้สึกสบายขึ้นมาเนื่องจากบาปกับบุญมันไปอยู่ภายใต้กฎของอะไรอ น, นิจจงทุกขังอนัตตา มันก็สลับกันไปสลับกันมาแต่เราเข้าใจใช้มันไหมถ้าเรากลัวบาป ก, ก็เหมือนเราก็ลูกกลัวการไปหาเงินเพราะมันทำให้ทุกยากลำบากเราจะได้เงินมาใช้ไหมเพราะเรากลัวความลำบากถ้าเรากลัวยากลำบากเราไม่ไปเรียนหนังสือเพราะไปเรียนหนังสือมันหุ่นวายยุ่ยากใช่ไหมทำให้ต้องไปถูกบังคับอยู่ในห้องทั้งวนงนันต้องฟังเขาทั้งวนันต้องทำโอ้อะไรเยอะแยะฉันไม่ไปลาบาก แล้วเด็กคุณนี้จะเป็นยัไงอนาคตก็ไปไม่รอดเป็นภาระของพ่อแม่เป็นภาระของสังคมในที่สุดนี้ที่ว่าบาปเป็นทุนขึ้นมืก็ใช้ความวบาป ท, ทางกายนะทําไปบุญเป็นกําไรก็มาคุณต้องรู้จักวิธีทําบุญด้วยทําไงร่างกายให้ทําไปอย่างผ่อนคลายหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปเหมือนเราออกกําลังกายถ้าเรากลัวว่ามันทำยังนี้มันหนักมันเหนื่อยมันใจจะขาดมันหน้ามืดกลัวเราไม่ทําเลย อคุณก็ไม่ได้ร่างกายที่เข้มแข็งแหละคุณก็ทําไปเอามันหนักหน่อยก็เอาบาบมันหนักหน่อยก็เอาบุญมาใส่บาบมันหนักมากไปก็บุญมาแก้คือหมายความทำงี้มันหนักไปก็ผ่อนคลายให้มันสบายสักพักหนึ่งอาคนนั้นเขาทนได้มากกว่าเขาทําได้มากกว่าคุณก็จะไปตามเขาคุณก็ทําตามกําลังคนนั้นทําได้สิบครั้งต่อหนึ่งนาที เรากําลังไม่พอเอาแค่ห้าครั้งต่อนาทีก็ได้แต่ขอให้ทำแล้ว อ, อีห้านาทีเาราผ่อนคลายซะนะมันก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ใช่ไหมตอนเช้าไขว่างทําแล้วรู้สึกหน้ามุดเลยยมจุบในน้อยทําได้สิบครั้งต่อนาทียมจบฉันเอาห้าครั้งพอฉันนั่งรอจะได้อีห้านาทีอีห้าครั้งฉันฉันไม่ทําก็ใช้ได้ตามกําลังนะแต่ถ้าไม่ทําเลยไม่ถูกใช่ไหมแต่ทําตามกําลังอ่า แม้แต่สร้างจังหวะเอามาก็ดูว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยสร้างจังหวะได้กี่ชุดถ้าทำปกติเอามาได้สี่ชุดต่อห้านาทีถ้าทำช้ากว่านั้นอีกได้สามชุดต่อหนึ่งนาทีถ้าทำาทำเร็ว <c oughs> ทเร็วกว่านั้นอีกก็เป็นห้าชุดหชุดต่อหนึ่งนาทีถ้าทำช้าก็สองชุดสามชุดสี่ชุดมันก็มีการสำรวจตรวจสอบนะ คือคือต้องละเอียดกับตัวเองนิดหนึ่งในวิธีการปฏิบัติแบบนี้นะแล้วก็สํารวจทุกอย่างที่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยที่ว่ารูปทุกนามทุกอ่ะรูปนามมันเป็นทุกขแต่ความจริงแล้วรูปมันเป็นทุกนามไม่มีทุกหรอกแต่โดยที่เราไม่เข้าใจบําบัดทุกที่เกิดในรูปนามก็ต้องทุกไปด้วยถ้าทุกขอยู่ที่กายอยู่ที่รูปอย่างเดียวเนี่ย มันเป็นบาปทางกายมันแก้ง่ายใช้มันเป็นทุนเป็นร้อนนะถ้าเราจะใช้ทุนร้อนทางจิตเราใช้ทุนรอนที่เป็นความรู้เราไม่ใช้ทุนรอนที่เป็นความคิดเพราะความคิดทำให้จิตมันร้อนแต่ความรู้ทำให้จิตมันเย็นเราก็แปลงสัญญาณความคิดมาเป็นความรู้ใชด้วยการมีสติเข้าไปตามรู้อาการของความไม่สบายทางจิตบ่อยๆ เมื่อเราตามความรู้สึกทางกายที่มันเป็นทุกเวทนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวรู้เกิดขึ้นตรงนั้นมันก็ไปเข้าไปแทนความคิดอพอเราจะคิดอะไรขึ้นมาปับ๊บมีความรู้สึกตัวปับ๊บความคิดก็สวิต์มาเป็นตัวรู้ตัวรู้ที่เข้าไปคิดด้วยความรู้ตัวมันกลายเป็นปัญญาถามว่าปัญญากับความคิดเนื้อหาเดียวกันประกอบด้วยวิชาหรืออวิชาประกอบด้วยสติหรือ กิเลสเท่านั้นเองถ้าประกอบด้วยสติความคิดเปลี่ยนเป็นปัญญาถ้าประกอบด้วยอวิชชาความคิดเปลี่ยนเป็นกิเลสเราก็เรียกว่าความรู้ก็คนาิ้มก็คือความคิดนี่แหละแต่ความคิดกับความรู้ต่างกันยังไงต่างกันเนความคิดมันหยุดไม่เป็นมันไปเรื่อยๆจากเรื่องนั้นก็ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนันไม่หยุดไม่เป็นแต่ความรู้มันหยุดเป็นพพราะอะไอเราใช้แค่นี้นะจบ เหมือนท่อน้ําแตกก็เราไปเปิดน้ําต่างกันความรู้เหมือนเราเราไปเปิดน้ําเมื่อหมดความต้องการแล้วเราก็ปิดแต่ท่อมันแตกเนี่ยเราไม่ต้องการเราก็ปิดไม่ได้ด้วยหาที่ปิดต้องหาที่ปิดให้ได้ความรู้มันสามารถควบคุมได้แต่ความคิดมันควบคุมไม่ได้เพราะความรู้เป็นธรรมแต่ความไม่รู้เป็นอัต ธรรมความคิดที่ไม่มีสติเป็นอธรรมความคิดที่ประกอบ้วยสติปัญญาเป็นธรรมนี่เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราถามว่าระหว่างความรู้กับความคิดเราปล่อยให้ส่วนไหนทำงานมากกว่ายุมตั้ในช่วงที่เรายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนความคิดทำงานมากกว่าความรู้ใช่ไม แต่หลังจากเราได้ปฏิบัติเข้าใจแล้วความรู้ทำงานมากกว่าความคิดอ่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่ที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความคิดกับความรู้อันไหนเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้สติถ้ามีสติรู้ตัวมากเท่าไหร่ความคิดก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้มากเท่านั้นถ้ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวน้อยเท่าไหร่ความคิดก็เปลี่ยนเป็นกิเลสได้มากเท่านั้นเหมือนกันแด้กิเลสตัวนี้มันก็จะทาให้เราเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจ อย่างสมมติเราทางานแล้วทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เขาเรียกออฟฟิศซินโดมนะนั่งแล้วทั้งวันโดยที่ไม่ขยับปรับเปลี่ยนไม่ออกไม่มาผ่อนคลายคุณก็นั่งแช่แนคะ่สามชมั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้หคุณตึงทั้งคอทั้งแขนตึงหมดเลยนานเข้าก็เรียกว่าเป็นโรคสารพัดละทีนี้นั่นเพราะเราไม่มีการฝึกวิปัสสนาเราไม่รู้จักบบำบัดบาปออกจากกายคือความไม่สบายไม่มันเป็นบาป บาปตัว น, นั้นเราเอามาใช้เป็นทุนคือความไม่สบายเนี่ยแต่เราใช้บาปมันเป็นคุ้นกับความคิดของเรานะแต่คือความไม่สบายเนี่ยถ้ารู้จักบำ บ, บัดรู้จักใช้มันมันก็เป็นทุนเหมือนกับเราทํางานเราก็ลงแรงด้วยกันออกแรงลงแรงแล้วก็ไดอ้อยู่ได้กินตามากฎของกติกาของสังคมถ้าไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมออกแรงเลยไปช่วยงานเพื่อนเอามาสังเกตภาพของอตามาเหมือนกันนะ าแต่ละรุ่นเนี่ยทําไมบางองค์ถึงไปได้ดีบางองค์ไปได้ไม่ดีเพราะเวลาเพราะเวลาฝึกกันมาทําเป็นสองภาคภาคหนึ่งภาปฏิบัติภาคหนึ่งภาทำงานในช่วงภาคปฏิบัติกับภาคทํางานนะมันจะสัมพันสกันคนไหนตั้งไปปฏิบัติถูกต้องเวลาไปทํางานก็จะถูกต้องเวลาคนไหนตัง้งใจปฏิบัติทําไม่ถูกต้องเวลาออกไปทํางานก็ไม่ถูกต้อง ทำงานไม่ถูกต้องทำไปแล้วมันเสียบ้างทําแล้วนั่งดูเพื่อนบ้างทำว่าเอาเปรียบเพื่อนเล็กๆน้อยๆบ้างปล่อยให้เพื่อนทําแล้วไม่สนใจบ้างหรือในงานไหนที่หนักก็ไม่สูง้งานเบาฉันเอางานหนักฉันไม่สู้แต่อย่างนี้ก็ก็จะบอกอนาคตเขาแล้วว่าคืออนาคตของพระองค์นี้เป็นอย่างไรแล้วก็มองอนาคตออกพอมองพอมองไปนานเออก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เรามองเอออนาคตองค์ ông, พระองค์นี้ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะ โอ้คนนี้จริงจังตั้งใจทําอะไรต่อเนื่องทําอะไรจริงใจทําให้เสร็จไม่เสร็ จ, ไ ม, รจไม่เลิกอนาคตของพระองค์นี่มันต้องเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ดูไปอ๋อมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นปัจจุบันเนี่ยมันก็ชี้อนาคตอ่เลืมแตกประเด็นแล้วตรงนี้นะยากขึ้นนะนะเมื่อวานเมื่อวานหลังจากที่เสร็จจากเพลนแล้วใช่ไหมเวลาเดือช่วงอายพอดีมีชาวต่างประเทศ ผู้ชายเป็นแวนาวฝรั่งเศสพระเป็นชาวอินโดนีเซียเขามานั่งฟังเราทั้งชั่วโมงได้เออแสดงว่าเขามีศรัทธาที่จะศึกษาเรื่องนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้เรื่องอเลยบอกว่าเดี๋ยวหลังเพลนไปพบ ก, กันชั้นบนหลังเพนพวกเรากลับมาก็ขึ้นไปพูดคุยด้วยอภ า, าก็ถามว่าคุณยกมือหรือคือกรรมาฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยทําได้นานไหม ไม่นานถ้าทําไปนานๆมันเป็นยังไงบอกมันกังวลกังวลอะไรกังวลเรื่องอนาคตว่าฉันจะมีเงินอย่างไรจะไปใช้อย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะทํางานอะไรจะไปยังไรมันอดกังวลไม่ได้ถ้าขณะที่คุณทําอย่างนี้แล้วคุณใจคุณไปทําในสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยคุณว่าถูกต้องไหมถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่มาคุณก็จะไปทำเหมือนกันแต่มันยังไม่มาถ้าคุณเอามาคิดเนี่ยมันถูกไหม ก็ไม่ถูกแต่ทํำไมต้องคิดอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่าตรงนี้แหละคุณปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้ปฏิบัติเพื่อตัดในสิ่งที่เพราะอดีตมันก็ผ่านไปอนาคตก็ยังไม่มาแต่คุณต้องต้องการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่บอกกายคุณทําตรงนี้แล้วจิตคุณไปไปทําอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่กรรมาฐานละนั้นเป้าหมายจริงๆของชีวิตของคุณคืออะไรต้องถามตัวเองก่อน คุณต้องการความสุขด้วยความทุกข์คุณต้องการอยู่ด้วยปัญญาหรือด้ว ย, ด, วยด้วยกิเลสก็ซ อ, อกไปถามมาเขาก็บอกอย่ามาเข้าคอร์ดคอนี้ไม่ได้คนเต็มแล้วงั้นก็เลยบอกคุณไปหาคอร์อื่นก็นแล้วกันอพระก็เช่นเดียวกันพระมาจากวิธีการของหลวงพอ่อที่ได้ทานมาจากพวมมิเลสก็มาก็ถาม วออาตมาก็เคยปฏิบัติของวิธีของท่านทิฏฐิทันหันเหมือนกันเพราะท่านสอนการเจริญสติเหมือนกันถึงแม้จะช้อานาปานสติก็เป็นสมาธิฏฐิเหมือนกันก็ศึกษาได้พอมาเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วยการอ่านหนังสือของท่านทิฏฐิทันหนเลยอ่านไปอ่านมามันเข้าใจและมันจําได้พอจำได้ก็พูดได้โดยที่ไม่ต้องเรียนอะไรยากเออก็ถามท่านเหมือนกันว่าหลวงพ่อทิฏฐิทันท่านสอนเรื่องเฮียแอหนาวใช่ไหมปัจจุบัน ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วคุณทําได้ไหมกําลังทําอยู่ไอ้ท่านตัเวเต่าแบบฉลาดเหมนันนะจะบอกว่าทําไม่ได้ก็ไม่บอกอทําได้ก็ไม่บอกก็ว่ากําลังทําอยู่เหมือนกันว่าเออใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้นะฉลาดอยู่ก็เลยว่าเออทํานั้นถูกต้องแล้วแต่คุณต้องทําให้มากขึ้นทำให้มากขึ้ น, น, นแล้วขณะที่ใช้ความคิดเนี่ยความคิดเป็นเป็นปัจจุบันไหมเราก็ริ่มไต่ลึกเข้าไปนะ คุณรู้กายปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยใจคุณอยู่กับปัจจุบันได้ไหมอีชัดลังเลเหมือนนะนบางครั้งก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่นะไอ้ที่มันไม่อยู่ปัจจุบันมันไปอยู่ไหนก็อยู่ในอดีตนรู้ไหมว่ามันไปอย่างไรรู้ว้างไม่รู้ว้างเออท่านฉลาดก็เฉาะตอบคาตอบทุกอย่างแบบรับแบบสู้เท่านั้นเลยนะเออนี้แสดงเออได้ฝึกมาถามว่าฝึกปฏิบัติ แ, ตแบบนี้มานานได้ ย, ยังมาแปดปีแล้วแปดปี คงณยิงหลักสูตรถ้าคุณไหนเจริญเศรีที่ถูกต้องท่านประกันหลักสูตรให้แค่เจ็ดปีนะคุณอันนั้นมันแปดปีมันเกินหลักสูตรแล้วนะผมกําลังปฏิบัติอยู่เหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะเรื่องเนี้ก็ต้องสอบกันก่อนว่าอะไรเป็นอะไรยังไปยัดเยียดให้เขาทําแบบเราเลยไม่ได้ <c oughs> ต้องต้องสอบดูก่อนว่าเขาทาอะไรมานะเขาอยู่ที่ปารีสเด็กหนุม่มชาวฝรั่งเศสบอกว่ามาในไปเปิดอยู่ที่สตตร์ดที่เมืองที่เป็นบ order ระหว่างฝรั่งเศสเยอรมันนั้นหลายปีแล้ว ถ้าคุณจะเข้าไปที่นั่นสิเพราะตรงนั้นจะมีพวกฝรั่งเศษเท่าไหราค น, น, นเขาว่าเนั้นก็จะมีโอกาสจะแวะไปที่นั่นดังนั้นคนที่ชาวต่างประเทศเข้ามาสนใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเออเขาต้องการศึกษาแล้วแต่เขาจะได้พบกัลยาณมิตรที่พูดให้เข้าใจหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นก็เฉพาะ มาเฉพาะช่วยคนไทยพูดภาษาไทยก็หนักอยู่แล้วนะแต่ไปฝรั่งเศสพูดภาษาลาวก็ฝรั่งเศสแต่พูดไม่ได้ฝรั่งเศสอาศัยคนลาวเนี่ย เ, เป็นคนแปลอีกทีหนึ่งบางครั้งเอาเนื้มาสวิสมาจากเยอรมันมาอะไรก็พูดไอ้คนนึ่นพูดได้แปภาษาชื่อไอ้ในอะไรในโรเบิร์ตนะแกเป็นลูกเป็นลูกพ่อแม่ชาวฝรั่งเศสไปอยู่จีนไปอยู่เวียดนามไปอยู่ลาว มาอยู่ไทยภาษาไทยก็พูดได้เออก็อาศัยคนคนนี้แหละอืเอาพูดภาษาอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือประสบ ก, การณ์หนึ่งที่ว่าเออแล้วการเจริญสติแล้วเนี่ยมันมันสามารถปรับอะไรได้ไวเราพูดไม่ได้ก็อาศัยคนที่เขาพูดพูดได้นะยิ่งปีนี้ไปออสองปีมาแล้วที่มันไปตรงกับวิสาขานานาชาติของยุโรปเขาเขามาจัดที่สภาวัฒนธรรมของเมืองสแตต บ, บัก ก็เป็นช่วงที่วัดของอาจารย์ที่เราไปจัดวัดสีมงคลเนะี่ยเขาเป็นสมาชิกฝ่ายเทรว่าเราไปจัดรีทรีทที่นั่นมันก็ไปตรงกับงานเขาทุกครั้งเขาก็นิมนต์เราไปจัดครั้งล ะ, ะเขาจัดสามวันเราเขาให้ไปเราไปถึงสองวันเลยนะเอาไปเอามาเราเลยเป็นไฮไลท์ของงานไปไฮไลท์นะของงานอัะนั้นเรื่องนี้การเจริญสติถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วมันบูรณาการไปได้ทุกเรื่อง มันไม่เขินเขินมันไม่แล้วสนุกนะนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวน้อยๆเนี่ยขอให้ทําจริงจังเอามาตั้งสโลแกนว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องจริงจังคือมีศรัทธาและความเพียรตั้งใจคือมีอสติแล้วก็ต่อเนื่องคือมีสมาธิถูกต้องคือมีปัญญาแล้วมาทําเป็นสโลแกน สั้นๆแบบภาษาไทยเขาง่ายจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องใช่หลักอันนี้จริงใจงจริงจังไม่ทำเนี่ยจริงจังไหจริงจังเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงนะถ้าเกินไปก็ไม่ถูกต้องหล่กจริงจังได้พอดีเพราะฉะนั้นตัวตัวปัญญาเนี่ยท่านมักจะเอาไว้คุมท้ายไว้เสมอถ้าหากว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่อง ถ้ามันถูกตอ้องแสดงว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องมันมันใช้ได้คุณทำถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าจริงจังตั้งใจไม่ตอม่อเนื่องมันก็จะไม่ลงที่มันไม่ถูกตอ้องไม่ลงที่ปัญญามันไปลงทุกนะจริงจกกังเกินไปต่อเนื่องเกินไปตั้งใจมากเกินไปเนี่ยไม่ถูกตอ้องละมันเกินแม้แต่การทำงานเหมือนกันคุณจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถ้ามันถูกตอ้องคุณต้องไม่เจ็บ ป, ป่วยทั้งกายทั้งใจ แต่จริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วมันทําให้คุณเจ็บป่วยทั้งกายจะแสดงว่า um มันไม่ถูกต้องแะคุณก็ณต้องไปแก้ให้จริงจังเป็นพอดีให้ตั้งใจพอดีให้ต่อเนื่องพอดีแล้วมันก็จะถูกต้องเขาว่าถูกต้องนั้นไม่ต้องใครมาตัดสินเรานะเราเป็นคนตัดสินว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจไหมถูกต้องล่ะถ้าเมื่อไรรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือบางทีไม่สบายกายแต่สบายใจถูกต้องครึ่งหนึ่งไม่ถูกครึ่งหนึ่งไม่สบายใจแต่สบายกาย ไม่ถูกต้องค่อนไปเลยนะไม่ถูกต้อง8ปดสิอร์ซถูกต้องแค่ยี่สิบเอร์ซนะเพราะอะไรเพราะความสบายใจไม่สบายใจมันแก้ยากความสบายกายไม่สบายกายมันแก้ง่ายเพราะนั้นเอาความสบายใจไว้ก่อนสบายกายไม่สบายกายไม่แน่นอนมันแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าความไม่สบายใจมันแก้ไขยากเปลี่ยนแปลงยากเอาตรงนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์สูงไว้ก่อน ดัง น, นั้นความสบายใจน่าเอาไว้สักแปดสิบอร์ซ็ความไม่สบายกายเนะี่ยสบายกายไม่ใชค่ยี่สเปอร์เซ็นก็พอนะดังนั้นเมื่อเราจเจริญสติแล้วค่อยๆสํารวจว่าขณะที่ทําสบายหรือไม่สบายกายสบายไหมจิตใจสบายไหมถ้าคอยสํารวจอย่างนี้ตลอดเวลานี่เรียกว่าจริงจังอย่างถูกต้องเราตั้งใจขณะตั้งใจทํามันเกลง็งไหมมันเครียดไหมมันตึงไหมมันทึมไหมทื่อไหม ไม่เป็นอ๋อแสดงว่าตั้งใจอย่างถูกต้องแล้วขณะที่ต่อเนิ่งไปรู้สึกมุดกิดลำคาญรู้สึกเป็นภาระไหมรู้สึกสนุกไหมรู้สึกหรือไม่สนุกถ้ามันไม่ไม่เป็นอย่างมันไม่ไม่ไม่ผ่อนคลายไม่สบายก็แสดงว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเอาตัวถูกต้องเข้ามาจับตัวถูกต้องจริงจริงคือต้องสบายกายสบายใจแต่ตัวสบาย สบายกายแต่ไม่สบายใจไม่ถูกต้องทุกแปดซละไม่สบายกายแต่สบายใจไมถูกต้องทุกแปดสบอร์สบายทั้งกายทั้งใจแต่ว่ามันมีความไม่สบายแฝงอยู่นิดๆห้าสิบห้าสิบโอเคพอทนได้ก็ทําไปสํารวจไปทําไปสํารวจไปอย่างนี้แหละเรียกว่าสายกลางคือจิตของเรามันคอยแฉแลบไปซ้ายไปขวา ไปชอบไม่ชอบไปอยากไม่อยากไปอะไรต่างๆมันแฉลบไปแฉลบมาไอการที่ปรับเข้ามาให้มันพอดีเนี่ยคําว่าพอดีหมายว่ามันมีสัดส่วนพอๆกันความพอใจครึ่งหนึ่งไม่พอใจขึ้นหนึ่งพอดีมันหมายความว่าไม่มีเลยไม่ใช่นะหมายว่าสายการไม่มีความพอใจก็เหมือนมีความไม่พอใจก็มืมันมีแต่ส่วนมันน้อยมากเนี่อันไหนมันมันเข้มแล้วก็ใส่หน่อยเหมือนเราปรุงอาหารน่ะ รู้ว่าเกลือมันเค็มเลยใส่มากมันแกงจะเค็มก็ใส่น้อยหน่อยพริกมันเผ็ดเผ็ดไม่เท่ากั น, นพริกบางสวนเผ็ดมากซิบางส่วนเผ็ดน้อยคุณจะใส่เท่ากันก็นไม่ได้ไอ่เผ็ดมากเนะี่คุณก็ใส่น้อยหน่อยมันไม่เผ็ดคุณก็ใส่มากๆหน่อยลักษณะสัดส่วนทางวัตถุเราก็ยังกะเกณฑ์เป็นนะใช่ไหมแล้วลักษณะสัดส่วนของนมามธรรมก็ต้องศึกษาต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นในวิธีของพุทธศาสนาจะเป็นเสียสนาแห่งปัญญา เพราะมันใช้ความแยบคายในการหาความพอดีระหว่างกายกับจิตมันยากเพราะตลอดเวลาชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับความสุดโต่งตลอดใช่ไหมฉันไม่ชอบใจกับไปสุดโต่งเหมือนกันฉันชอบใจกับไปสุดโต่งเหมือนกันถาชอบก็ตีกับสิ่งนั้นจนหลงจนไหลจนติดจนยึดถ้าไม่ชอบฉันก็ไม่เอาเลยเหมือนกัน อ, อันนี้เราใช้ชีวิตมายอย่างนั้นแต่พอมาปฏิบัติในวิธีชีวิตจริงเนี่ย มันจะเข้าสู่จุดชุนกลางเลือกเอาส่วนที่ดีเข้ามาส่วนที่ไม่ดีก็เลือกเหมือนกันในน้อยหน่อยพริกนี่มันเผ็ดแต่ว่ามันไม่ดีไม่ใส่เลยก็ไม่ได้นะอาหารก็ไม่อร่อยเกลือมันเค็มมันไม่ดีไม่ใส่เลยก็ให้ใส่เค็มในน้อยหน่อยอาหารก็อร่อยชีวิตของเราก็อร่อยก็มีความสุขถ้าเราเลือกสัดส่วนหในความพอดีและไม่พอดีระหว่างดีกับชั่วระหว่างถูกกับผิด ระหว่างสูบกระทุ้งระหว่างสบายไม่สบายเลือกให้เป็นแต่การที่จะเลือกสัดส่วนให้เป็นพอดีคุณต้องใช้สติปัญญาพอสมควรคุณจะใช้เพียงสัญชตาตญาณสติปัญญาเพียงสัญชตาตญาณไม่พอต้องใช้สติปัญญาที่เกิดจากปัญญายานแล้วสติสัญญาที่เกิดจากปัญญายาณก็คือกายกับใจต้องมาอยู่ร่วมกันก่อนตั้งต้นที่กายกับใจต้องต้องรู้เนือ้อรู้ตัวชัดเจนเสมอนะ อย่ากลัวต่อการตั้งต้นใหม่ไม่สายถ้าเราตั้งต้นถูกแต่ถ้าเราตั้งต้นผิดมันสายตั้งแต่เริ่มแล้วนะมันสายตั้งแต่เริ่มแล้วถ้าเราเริ่มต้นถูกมันจะช้าเท่าไหร่ก็ยังไม่สายนะดันั้นเองก็สำรวจความถูกต้องเสมอความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นในมรรคในอมปดขึ้นด้วยสัมมาหมดเพราะสัมมานี่แปลว่าถูกต้องแปลว่าชอบแปลว่าควร เพรว่าถูกต้องไปว่าพอดีสา ม, มารถึงนั่นนะะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายปฏิบัติง่ายแต่ว่าเนื่องจากจิตของเรามันยังเหวี่ยงแรงอยู่เหวี่ยงพอใจไม่ไว้แรงอยู่ก็ต้องควบคุมมันหน่อยแะใช้คำว่าสํารวมคอยอดคอยทนเอาคอยสํารวมระวังเอาอคนไหนที่เหวี่ยงแรงก็ต้องใช้ความอดทนสูงคนไหนที่เหวี่ยงแรงเหวี่ยงไม่แรงเท่าไหร่ก็ใช้ความ ควบคุมง่ายก็ไม่ต้องใช้อดทนทนมากเท่าไหร่คนไหนที่จิตไปเป็นกลางได้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องอดทนอะไรเลยมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเป็นอดทนอยู่ในเป็นชีวิตแล้วความอดทนเป็นวิถีชีวิตแล้วคุณก็ไม่ต้องทนเพราะมันเป็นวิถีชีวิตอาหารอร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้กินได้นอนหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้พอทนได้ นั่นานก็ได้ไม่นานก็ได้พอทนได้นี่ก็าเรียกว่าความอดทนกลายเป็นวิถีชีวิตแล้วมันไม่ลำบากต่อการที่จะทาอะไระที่มันยากหรือมันง่ายมันทำได้สบายๆนะอันนี้เรียกว่าเราเค่อยสู่สายกลางในส่วนของชีวิตชีวิตก็ง่ายได้ขึ้นนะง่ายเรียบง่ายมันมันเรียบง่ายมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าหากว่ามันยังเวียงซ้ายมือขวาเนี่ยมันชีวิต ยุ่ยากมากดังนั้นความสุดโต่งพุทธเจ้าบอกให้ละนะธรรมเทศนากันแรกของของท่านท่านพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะทางมีสามทางกา마สุการิการนุโยกง่ายเกินไปเบาเกินไปสบายเกินไปไม่ดีอัตกิริมาทานุโยกยากเกินไปลาบากเกินไปหนักเกินไปไม่ดีอย่าเอามัชชิมาปฏิบาัตาิเอาให้มันยากน้อยหน่อย ให้มันง่าย น, น้อยหน่อยอย่าให้มันง่ายเกินไปอย่าให้มันยากเกินไ ป, ปรผสม ป, ประสานสัสดส่วนได้พอดีแล้วชีวิตของเราก็จะลงตัวนะเราเป็นยังง่ายนีแม้แต่เจริญสติในนี้ครอ่อมแล้วคุณจะไปทําการทํางานก็ได้ทํางานอะไรให้มันอพออยู่พอกินแต่ว่าอย่าลืมหลักว่าต้องทําด้วยสติทําด้วยสมาธิทำด้วยปัญญาร่างกายต้องไม่ลําบากเกินไปจิตใจต้องไม่ อึดอัดขาดเคืงเกินไปพอทนได้สบายๆมันก็พออยู่ได้ยิ่งปัจจุบันในปัญหามันเยอะคุณจะไม่รับรู้ปัญหาเลยไม่ได้ปัญหาของพี่พี่น้องพ่อแม่คนคยหน้าัวเพวื่อนร่วมงานอะไรล้วนเนยเป็นปัญหาหมดถ้าเราไปทักรับทุกเรื่องเนี่ตายเลยชีวิตของเราเกร่งเครียดทั้งชีวิตเลยแต่พอรับอย่างเละนิดละหน่อยอันไหนช่วยได้ช่วยไปไหนช่วยไม่ได้ก็เฉยๆมีวิธีเยอะแยะนะ มีวิธีที่จะช่วยเขาได้เยอะแยะดังนั้นในการปฏิบัติครั้งนี้จึงมีความหมายว่าเราจะต้องไปสมดุลชีวิตของเราให้ได้ถ้าเรายัางสมดุลชีวิตไม่ได้วิธีการนี้ก็ใช้ไม่ได้สําหรับเราแต่ถ้าเราไปฝึกสมดุลเป็นวิธีนี้เริ่มใช้ได้สําหรับเราเราก็ฝึกใช้ไปเรื่อยๆเราต้องการอย่างไรต้องการสมดุลค่อยสู่หลักมัชฌิมาปฏิภาปฏิบัติที่ตรงสู่นิพพานเท่านั้นนะ ไม่ตรงไปสู่สังสารวัตรทา้งซ้ายและขว า, น, า น, นั้นเวลาฝึกก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อวานว่าเราเขาแบ่งเป็นสี่กลุ่มเล็กๆสองกลุ่มใหญ่ๆสี่กลุ่มเล็กๆคือใหม่มากก็เออเริ่มเพิ่งเริ่มใหม่เพิ่งเริ่มคือใหม่มากคือยังไม่ได้เริ่มเลย <c oughs> เก่ามากคือเริ่มมานานแล้วและเพิ่งเก่าหมายว่าเริ่มมาแต่ว่า ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะชำนาญเท่าไหร่เรียกว่าคนที่เก่ามากก็คือขั้นเก็บอารมณ์ทั้งเข้าคอทั้งทากิจกรรมเรื่องนี้มาแล้วเข้าใจเก่าถัดมาหน่อยหนึ่งเคยแต่เข้าคอแต่ยังไม่เคยเก็บอารมณ์ใหม่มากๆก็เพิ่งเข้ามายัางสั้นง จ, จังหวะเดื่องุกภมยังไม่ถูกเลยใหม่ระดับ ดีขึ้นมาระดับยาวหน่อยก็คือเคยเดินจูคมสร้างจังหวะเป็นละแต่ยังเข้าใจไม่ชัดเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องรูปธรรมนามธรรมยังเข้าใจยังไม่ชัดหรือยังเข้าใจไม่ได้อันนี้เราก็จะแยกฝึกเวลาเราไปสอบอารมณ์เวลาไปให้อารมณ์มันก็จะได้ตรงเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้เราทําความเข้าใจกันมาเทานี้เพื่อที่เราจะได้สําหรับแยกกลุ่มใครบ้างเดี๋ยวตอนหลังฉันก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะ ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษ า, าเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางของชีวิตของตัวเองที่เราจะนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเปพอดีในชีวิตเราก็จะไปสบความสงบและความเย็น <c oughs> ในชีวิตโดยการทุกคนทุกท่านถือ